วัดป่าวัดป่าอะไรนะวัดป่าเย็นบุญค่ะป่าเย็นบุญอยู่ที่เมืองลายค่ะเปิดสยามเมืองลายอ๋อเป็นเอ่อเป็นสานักปฏิบัติด้วยเปล่าของหลวงพ่อชาค่ะชื่อท่านสิวแต่แตโยไม่ไม่ได้เจอท่านเขาเป็นเยอะค่ะอ๋อแล้วทำไมยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ศึกษายังไม่ศึกษาปฏิบัติทางเราเลยอะ่ะ ก็คุณแม่เขาเอาทางน้นค่ะเอาเลยค่ะอ๋หลานแท้ๆอยู่ใกล้ๆมาทั้งนั้นน่าจะพาปฏิบัตินะ อ, อ๋ อ, อ, อเขาอยู่เมืองนอกมานานค่ะตั้งแต่เล็กอ๋อไปเรียนตั้งแต่มอนหนึ่งจบไฮสคูลจบปิญญาตรี แ, แม่เขาก็เลยกลับมาทักพักก็เลยห้บูอทีวัด น, นี่แต่ยงก็แอบไปสอนค่ะเล็ก น, อน้อยกลางวันก็ไปสอนหลานก็จะ ก็เลยฝากคุณวินยัยเมาาื่อวานพาคุณวินัยไปดุกด้วยอืมไม่ไ ม, ไม่ไม่พาไปที่คุณวินยัยที่อันฝากท่านเอกวุฒิเอาไว้ที่ไอแม่แม่เขาไม่ได้รู้จักเขาไม่เอาหรอกค่ะอันนี้เ้านับถือสายหลวงพรอชาเขาเลยไปแต่ก็ให้ให้เดินจงกรมเป็นเวลาให้ให้ทำเป็นเวลา อ, อยู่ไม่มีไฟฟ้าอ๋ไไฟฟาอไม่มีไฟฟ้าอยู่แบบ พราใส่ป่าจริงๆค่ะท่านอวแต่กุดก็ไม่ให้มีอะไรเลยแล้ววัดเย็นบุญนะเย็นบุญวัดวัดมีคำว่าป่าก่อนนะวัดป่าเย็นบุญก็เป็นป่าเล็กๆอเขาสร้างมานานหรือยังนานแล้วค่ะนานแล้วนานแล้วก็ใส่เนี่ยท่านชยะสันโลท่านธรรมโลพิโคก็มาที่เนี่ยค่ะอที่ที่ว่าอยู่อังกฤษนะคะแล้ขมากันอยู่ใครไปเจ้ว่าอยู่เนี่ยนะ ก็ตัวท่านเองอ่ะท่านทั้งวัดนี้ท่านอยู่คนเดียวค่ะโดยปกติท่านอยู่คนเดียวเสีอาวัตเนี่ยค่ะเจ้ า, า, าจอาวาัตก็คือท่านจิงนะคะเมื่อวานเพิ่งถามเขาบอกว่าท่านเป็นเป็นพระอยู่องค์เดียวตลอดมานอกจากมีพันชาก็อาจจะเนี่ยก็จะมีคนมาบวชมินี่มาบวชห้าห้าห้ารูปนอเป็นตำรวจสองแล้วก็เป็นฝรั่งหนึ่งแล้วก็เป็หลานโยม ก็เลยโชคดีไปเลยฝรั่งงั้นมีเพื่อนคือหลานผู้สั่เก่งแล้วมีเรามีอายุภาษามาอะไรยังโยมไม่ทราบเหมือนกันคะรู้แต่ว่าพวกพยาบาลแม่สายหรืออะไรทางเขตทั้งนี้จะเข้าอบรมที่นี่ทั้งนั้นอจะสายนี้ทั้งนั้นท่านรู้สึกจะจบจุลานะคะทาองค์เนี่ยโยมจําไม่คิดนะแล้วเขาบอกว่าเก่งแตนโยมไม่จคยเจออยู่ที่อำเภอแม่สายนี่เหรอ ไม่ค่ะอยู่อำเภอเมื่อวันไม่ทราอำเภอเลยแต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นอะไรนะพญาเมงลายอะค่ะท่านอำเภอพญามยอเมงลายค่ะวัดป่าเย็นบุญน่าสนใจเนาะค่ะเมื่อวานก็เปิดอะไรนะ GPS ตามไปหาเอแล้วสถานที่สถานที่สดีมากค่ะดีมากเลยเป็นป่าเล็กๆเป็นป่าลุมเลื่นมากอ๋อเป็นป่าเลยค่ะไม่ไม่ใช่แลก็ไม่ใช่อยู่บนภูเขานะ หม่ไม่ค่ะอยู่ที่พื้นนี่แหละค่ะแต่เป็นเนินขึ้นเป็นนิ่ๆแล้วก็เป็นเป็นก็เป็นป่าล้มเลื่อนอ๋อท่านอยู่คนเดียวส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ให้โซเป็นอุปถัมภ์แต่ท่านไม่รับอะไรเลยเหมือนกันอ๋อเหรอค่ะบอกโอ้ลองท่านพูดคาเดียวนะเพิ่มเสร็จเดี๋ยว่าท่านไม่รับอะไรเลยอ้อนวอนยังไงก็ยากมากบอกทําไม่จาเป็นจริงๆในส่วนไหนที่ต้องใช้ไม่ยอมซื้ออายุมากเพาท่านอยู่คนเดียวไงฮะอายุมากหรือยัง ไม่ยังหนุมน่มๆอะไยโยมว่าสี่สิบต้นๆเท่านั้ น, น, นล่ะภาษาภาษาก็ไม่มากเลยไม่นานก็สักสิบกว่าปีปาายี่สิบปีประมาณนี้อ๋อก็แสดงว่าบอกว่าเรียนเรีนเห็นว่าเรียนจบแล้วก็ไม่นานก็บวชอ๋อเพรท่านเป็นคนที่ตรงนั้นด้วยค่ะอ๋อเป็นคนเชียงรายผ่าเป็นคนอันวัดแม่ชื่อแม่ชื่อเย็นพ่อชื่อบุญก็เลยเรียกว่าวัด ป่าเย็นบุญว <c oughs> ัดป่าบุญเย็นด <c oughs> ้วยกันยิ่ ง, ง น, นะวัดป่าบุญเย็น <c oughs> อ่าก็เขาเอาเย็นบุญค่ะเขาไม่เอาบุญเย็นเขาเอาเย็นบุญเ <c oughs> ขาเนี <c oughs> <อ>่ยเพือ่ อ, อเพาะผีไปอีกแบบหนึ่งน ะ, ะก็เลยโยมก็นึกเสียดายไงว่าเอ๊ะถ้าจะสอนเป็นยังไงเนี่ยถ้าหลานทั้งสามเดือนถ้ายังไงโยมก็ไปปฏิบัติที่นั่นด้วยแล้วก็สอนหลานวันละนิดวัลนละหน่อยทัง้งสามเดือนโยมเสียดายเวลา วันใกล อ, อยากจะคุยเรื่องว่าวันวันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบว่าจะชวนโยมเล็กไปเข้าไอาท้ที่ตอนนั้นไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันต่อเรื่องไอท้ที่ทหารเขาจะฝึกที่กลบยุทธศึกษานะทีนี้มันอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์เด็กที่บ้านโยมเด็กรัชชัยที่บ้านโยมเนี่ยเขาเป็นคนลาว ทีนี้ตอนเนี้ยที่ทางการเขาไม่เขาเปิดเป็นครั้งสุดท้ายให้ให้เหมือนทุกคนต้องถูกกฎหมายหมดนะคะพระอาจารย mm ์ออืเด็กก็ต้องกลับค่ะตอนนี้เขาคือเขาให้เวลาไม่นานเลยค่ะทุกคนต้องกลับไปใหม่ mm hmm. ให้ทุกบ้านเนี่ยทําหนังสือว่าจะแจ้งคนนี้แล้วให้คนเนี้ยถือหนังสือคนเนี้ยกลับไปทําพาสปอร์ตคนลาปกติไม่มีบัตรประชาชนนะคะท่านส่วนน้อย <All right. S 2> เขาเลยเขาจะกลับไปทําบัตรประชาชนก่อนแล้วก็เข้ามาทำพาสปอร์ตแต่ว่า เขาบอกว่าเป็นเดือนเลยค่ะคนเ ย, ยวมากอ๋อเหรอแล้วทีนี้ถ้าเขากลับอะคะโยมโยมไปไหนไม่ได้เลยค่ะหนึ่งเดือนเพราะว่าเขาก็ยังบอกไม่รู้หนึ่งเดือนก็จะทําเสร็จไหมเลยอาจจะถึงสองเดือนเพราะว่า mm hmm. คือทุกคนต้องไป น, นี่กลับกันหมดเลยไงฮะพเจรือพม่าไทยแล้วอพม่าเวียดนามนี่กลับหมดนะคะพระอาจรย์เขาปรับสี่แสนบาทนะคะอ๋อเหรอ ไม่ใครกล้ารับอะค่ะโยมก็ไม่เอาออืนี้ทุกบ้านก็ต้องทําให้ถูกกฎหมายแต่ตอนเนี้ยเขาไม่ได้งานเราอะค่ะปัฐบาลเขาให้โอกาสแค่ไม่นานเองอะค่ะท่านเพราะนั้นทุกคนต้องมีโอกาสจะกลับมาได้อีกไหมว่าเขามีวิธีเขาเขาก็ต้องทีนี้ถ้าเขาถือใบเนี้ยที่เขามีนายจ้างคือโยมเนี้ยเขาก็จะถือผ่านแดนมาได้แต่เขาต้องมีพาสปอร์ตมาด้วยอืทีนี้เขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะที่มันนานเพราะว่า อำเภอพวกเขาไม่มีการทําบัตรประชาชนมาเลยอูอทีนี้พอกลับไปมันได้ทีอ่ะทํางลาวอืออ่าในหน้ารับทั้งหมดเ น, นี่ยกว่าจะไปทําได้ที่อำเภอหกพันบาทโอ้ขนาดนั้นเหรอค่ะแล้วเขาต้องมาเจอค่าพาสปอร์ตอีกประมาณอีกหกพันบาทแล้วแล้วคนจะต้องมีหมื่นสองคนลาวเนี่ยจะไปเอาเงินที่ไหนเนี่ยก็นี่ถ้าใครเป็นนายจ้างก็ยอมจ่ายไงค่ะโอ้ ยังว่าต้องจ ใ, ให้เขาเรานนเราได้มันฉลาดเนะาะก็ก็คนไทยทําให้เขาได้โอกาสตรงนี้แหละ <c oughs> มันได้เงินไปเยอะเลยนั่เนี่ยแต่คนเละอ๋อหกหัวละหกพันเหราพระจารย์คิดดูหัวลหกพันแต่เาเน้อยที่สุดนะที่เขามาทํางานในไทยอือประม้านหนึ่งเวียดนามเขมรโอกาสกับเข้าใหม่ก็ยากอย่างงี้ยนะไม่ยากสิฮะเพราะเขาถูกกฎหมายแล้วต่อไปไม่ในจ้างในจ้างจต้องจ่ายเยอะถ้าเอาหลายคนนะใช่ค่ะต้องจ่ายเยอะ ท้าไม่จ่ายก็ไม่ได้กลับก็ค่ะทำไมได้ถ้าเราไม่ให้เงินเขาเขาเขาไม่กลับมาแต่เขาไม่อยู่เขาบอมันไม่มีงานทามันไม่มีแม้แต่จะกินเขาพวกเขาไม่อยู่กันค่ะอที่ที่ไกลเวียงจานท์ออกไปอยู่ไม่ได้นะครับอาจารย์ไม่มีกินจริงๆริโอเอ้ขนาดนั้นเลยประเทศเขาบริหารประเทศยิ่งขนาดนั้นเลยค่ะก็เนี่ยกลับกันหมดเลยคนลาวมาอยู่เมืองไทยอ่ะรับจ้างแค่ทํางานบ้านหกพันบาทเองนะคะพระอาจารย์เน้อ ในในขนาดที่ท่านโยมจ้างอยู่ในประเทศคนอีสานโยมจ้างหมื่นสองค่ะเดือนออแต่นิดนิดโยมก็ให้เขาหมื่นหนึนะคะไม่ได้ให้เขาหกพันจะได้ว่าเด็กเด็กที่อยู่กับเราก็เป็นเด็กดีจริงๆนะเขาเขาดีค่ะเขาทางานดีเอาใจใส่ขยันเรียนภาษาอังกฤษด้วยนะคะอาจารย์เด็วคนเราถ้าได้คนเราดีบีเปอร์เซ็นดีกว่าพวกพม่าพวกเขมรพวกคนเวียดนามคคนเราหน้ารักกว่าเยอะใช่ ดีดีเพื่อเพื่อคนลาวจะได้กลับเข้ามาเยอะนั่นแหละทีนี้คนลาวที่ส่วนหนึ่งมาไม่ได้เขาไม่มีเงินเนี่ยครับอาจารย์1 2อสองเขาไม่มีปัญญาจริงๆเขามีพี่สาวอ่ะอยากมาแต่นิยงบอกว่าอ่ะนยงก็บอกว่าจะทำให้สองคนก็ได้นะแต่แต่ว่าแล้วทำแล้วถ้าเธอไม่มาล่ะ เออใช่ตรงนี้เขากัดเบี้ยวใช่ไหมค่ะการอ่าแต่คนนี้มันก็ต้องกลับมาไม่มีหลักประกันอะไรเลยเนี่ยนะถ้าเขาจะกลับก็ได้ไม่กลับก็ได้นะเพราะแต่เขาต้องกลับค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจถ้เลยแต่ถ้าจะมีชื่อว่าคนนี้ทํางานอยู่บ้านคนนี้ถ้าตรวจแล้วเขาจะต้องโดนไอเนี้ยสี่แสนเป็นการรับติดครบด้วยค่ะถ้าจะถ้าจดถ้ารับเงินไปแล้วไม่มานะไม่ใช่กลับมาถึงรับเงินแล้ว ไม่ได้มาอยู่บ้านโยมแล้วเขาไปอยู่ที่อื่นเขาโดนค่ะอ๋อเหรอไม่ได้ค่ะเขาก็ถูกจับจะไม่หมายถึงว่าถ้าเขารับเงินไปแล้วนี่เขาไม่มาก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่อ๋อนู่นไม่ไม่มีหลักเราก็ไม่มีหลักประกันเลยดีแต่แต่เรารู้ว่าเขาต้องมาเพราะเขาอยู่ที่นั่นเขาไม่มีกินแน่นอนค่ะไม่หมายถึงหลายคนมันจะถือโอกาสไม่ดีอ๋อใช่ถ้าเขาจะไม่กลับก็ก็ได้ใช่นั่นดิโอ้โหได้ทั้งขึ้นทั้งลงเลยเนี่ยแบบนี้อะ เสียงเสียงมันเลยกําลังคิดว่าเนี่ยโยมก็จะไปช่วยพระอาจารย์ไม่ได้เลยเพราะมันต้องสามวันตอนนี้โยมอยู่กับคุณแม่คุณแม่แปดสิบแปดแล้วโยมต้องทำกับข้าวสามมือให้เลยแล้วลูกคนอื่นๆเดีวเขาช่วยไม่ได้เลยอ๋อไม่มีไม่มีเขาก็อยู่ไปอยู่บ้านเขาคนหมดอ๋อเหรอค่ะแล้วเขาลูกตั้งหลายคนใช่ไหมล่ะเยอะมีมีอยู่ลูกสาวสองคนนี่แหะค่ะทีนี้โยมยังไม่ได้คุยกับน้องสาวเลยว่าจะส่งคนของที่บ้านน้องอ่ะ มามาอยู่กับยายได้ไหมสามวันแต่เช้าเย็นกลับก็ได้ไงมาทำอาหารไว้เสร็จแล้วก็แต่ก็ต้องมีคนอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าสี่มงเย็นนะค ะ, ะ, คะนี่ดังนั้นเราน่าจะขอตัวยาตดีธรรมของเราคนใดคนหนึ่งไปช่วยได้ไหมโอ้ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวโยมก็มันจะคุยกับน้องพวกนี้คะ่ะอืมพอนีเพิ่งกลับมาจากชิงรายยังไม่ได้เป็นกาีโอกาสดช่วยโอกาสนี้ก็เลยว่า ทีมของอาจารย์ภาภพัฒนี่ยอยให้อจรารย์ภาภพัฒเป็นหัวหน้าทีมสําหรับคนกรุงเทพอะนะแต่ตอนนี้ทีม อ, อาจาพาพัฒก็ยังไม่ไม่ครบทีมดีเพราะว่าครูบางคนต่งขาดหายไปนานมีครูอ้อมเข้ามาปฏิบัติก็เราบ่อยๆคนอื่นจะเข้าเป็นเทคทีมด้วยเราก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าเขาไม่เขาได้เข้ามาตรงหลังนี่ครูหลายคนไม่เขาได้เข้ามาปฏิบัติก็ได้เป็นครูไม่มีเวลาหรอกครับอาจารย์ใช่ยา อืพัฒนายากแต่ว่าครูอ้อมเนี่ยเขามีใจจริงๆนะรู้จักไหมครูอ้อมออรู้จักครัรู้จักออนั่นแหละขอขาตั้งแต่แรกแล้วออืรอบแรกตั้งแต่ที่เราไปทําที่บ้านดรอกเตอร์ะคะ่นี่นแหละก็ายากอยู่เรื่องนี้มันก็แล้วแต่ว่าศาสนาบรารมีเหมือนกันนะบางคนว่าศาสนาบารมีรไม่ไม่มีในวิธีการของพ่อเทียนเนี่ยมาคนที่มีศาสนาจริงๆแต่บางคนศาสนาดีครึ่งเดียวพอมาคงกลางก็ เลยไปทางอื่นก็มีเนี่ยว่าศาสนาบารมีสําคัญมากเลยในในพิธีการของพ่เทียนนี่ใครไปตลอดรอดฝั่งเลยมาว่าโอ้โหศาสนาบารมีต้องเยอะมากอะ่ะเพราะส่วนใหญ่ไม่เคยไปตลอดไปเบี้ยวไปบิดไปออกกลางทางจเยอะเลยอะ่ะที่ครูครูลุงกระุนนี่เราอบรมาเยอะนะส่วนใหญ่แตรอดไม่ได้ไไดใช่รอดไม่ได้มไม่กี่ ค, คนแต่ถ้าสมมุติว่าศาสนาบารมีเ้าดีเนี่ยมัน ถึงไม่มีเวลาไงเขาขนขวาย่างคขั้วมาเขาก็ไม่มีเวลาเหมือนกันใช่ไหมเขาก็ยังมาได้ถูกเยอะก็ได้กระจันใช่เขาเป็นคนเยคนเขาอยากันเดินออกมาใช่คนมีทุกเยอะเนี่ยเขาจะขนฝวายเอาเองนะถ้าคนอื่นเขาไม่ทุกข์มากเขาก็เฉยเฉยเขาก็ได้ใช่เพราะนั้นตรงนี้สําคัญเลยว่าอเราต้องก็โยมยังจําได้ที่เขารายงานบอกว่าเขาโกรธคนนเป็นปีโอ้โหโยมฟังแล้วโยมตกใจเลย จใแต่นั่นมันก็เป็นคําพูดนะมันไม่ใช่ของจริงไงนะเวลาของจริงถ่าโกวดขนาดนั้นําก็อยู่ไม่ได้มันก็ตายเป็นโรคหัวใจเลยโกรธอยู่เรื่อยไงไม่เลิกสักทีใช่เรื่องได้อย่างเราบางคนเราไม่ชอบหน้าก็เห็นหน้าที่แล้วก็ไม่ชอบก็กวดประเภทนั้นนหละไม่ใช่ว่าปวดก็เห็นก็ปวดไม่เห็นก็ปวดก็ตายกันพอดีแหละก็เลยอยากจะให้พวกเราที่มีทักษะในการถ่ายถ่ายทอดเนี่ยไปช่วยกัน บางคนเขาปฏิบัติเก่งแต่ไม่มีทักษะในการถ่ายทอดมันก็ลบาบากกันนะใช่อันเนี้เป็นเป็นปัญหาเลยคะ่ะพระเจ้ <c oughs> าเบื้องหลังการสอนนี้ของธรรมานี่ยที่โยมไปเจอโอ้โหดูสอน ง, ง่ายๆเบื้องหลังอืต้องมีหลัยจุดมากใช่ <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ต้องมีทักษะบางคนถึงแม้ปฏิบัติถึงแม้จะปฏิบัติเก่งแต่ว่ากูมธทำมันยังไม่ไปเนี่ยไอการแสดงออกมันก็ยังขาดความมั่นใจนะ มันมันก็มีเงื่อนไขเยอะเรื่องนี้ก็มาดูอ๊แต่ว่าศาสนาของแต่ละคนเหมือนกันบางครั้งมีความตั้งใจดีแต่ว่าอยากจะถ่ายทอดตามที่ตัวเองตั้งใจมันก็กลับไม่ออกอืมันเป็นเรื่องเพราะว่าบางทีมันมันยังไม่ได้จริงมันก็ถ่ายทอดไม่ได้นะคะอาจารย์ตอนนี้โยมโยมองเห็นจุดแล้วว่าเออทําไมคนเขาบอกต่อมีได้อืมเขาไม่ได้จริงด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ คือไม่ไปถึงจุดไม่ได้รู้แจ้งมาาันจะแจ้งอ๋อยิ่งเป็นอย่างนีจริ ง, ร ง, รงๆเขาเขาไม่ค่อยได้เจอด้วยมาจากเขาพูดไม่ได้ออืฮเขาจะพูดไม่ไดนะ้ถ้าเรามีประสบการณ์เราเจออ๋ออ๋ออย่างนย้บ่อยๆแล้วเรามั่นใจอ่๋อ uh huh. เนี่ยอย่างนี้นะ uh huh. เราก็สร้างพูดค่ะตอนนี้ที่ที่เชียงรายนี่ท่านพวกเพื่นเอ ก, กวุฒิท่านอันท่านอะไรยังอยู่ที่คุณริศกุลนี่ะ น, นะอยู่ค่ะอยู่ค่ะคุณวินัยบอกว่าอยู่สามามสา ม, สาม สามลูกอ๋อสามลูกคุณท่านกีจาด้วยเห็นะท่านกีจาท่านเอกวุฒิท่านหนึ่งอยูไม่รู้จังแต่คนในนั้นบอกว่าอยู่ค่ะถ้าอย่างนั้นมันต้องไปทำเรื่องที่อําเภอนะพระอาจารย์เขาทำถูกต้องเลยทําเรื่องอะไรอ่ะทําเรื่องที่พระจะมาประจําพรรษาที่ไหนต้องเป็นต้องทําเรื่องให้ทางอําเภอขารับรู้ด้วยนะคะเห็นคุณนน้นบอกว่าวัดเจ้าวัดเจ้าน้าอำเภอหรือว่าไปทางอําเภอวัดมันวัดเจ้าหน้าอำเภอมั้ง ต้อบอกให้อำเภอรู้นะว่ามีพระได้มาจําพรรษาที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้ให้คุณวินัยว่าไปทําเรื่องเรียบร้อยแล้วค่ะอพจริงแล้วมันจะต้องไปที่วัดเจ้าหน้าอําเภอแล้วเจ้าหน้าอําเภอเนี่ยนําเรียนในายอำเภออีกทีหนึ่งนั่นนหะค่ะเขาเขาทำเสร็จแล้วค่ะอใอ้คุณวินัยว่าว่าพระบอกก็เลยไปทําให้แล้วก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันถ้งนั้นคุณวินัยแสดงว่าคุณวินัยเปลี่ยนแนวจากหลวงพ่อเทียนไปแบบกดแบบแบบพระธานเอกวุฒิเนอะ คือท่านเอกวุฒิก็คืออย่างนี้พระอาจารย์โยมเพิ่งไปได้สภาวะเรื่องนี้มา อ, มอย่างที่เรียนพระอาจารย์ว่าโยมก็ไม่เข้าใจว่าให้กดธรรมรายพระโยมกติที่ท่านสอนว่ามันมีสองมีสัญชาตญาณกับปัญ ญ, ญาถ้ากดอันเนี้ยที่แรกโยมคิดว่ามันแค่สัญชาต ญ, ญาณที่เห็นนกกดเห็นใบไม้ไหวไกดได้ยินเสียงกดแต่โยมก็อยากลองไงครับอาจารย์อืทีนี้ตอนกดไปสองอาทิตย์แล้วอาทิตย์ที่สามโยมไม่ได้ทําเลยนะ พอเมื่อวันเสาร์เนี่ยโยมก็เจอตัวนี้ยที่โยมก็งงมากเลยวา่าหันไปเห็นต้นไม้มันไหวอะคะ่ะพระอาจารย์มันมีส ต, ติอยู่ในนั้นน่ะอืมซึ่งเย่าวะต้นไม้ไหวมีสติตได้ยังไงอะ่ะมันมันเหมือนเราเห็นสติอ่ะคะ่ะอืมโยมก็ง ง, ง, งนะทีแรกมันเหมือนเขามาด้วยกันกับการเคลื่อนไหวอืทีนี้พอมันมันเกิดมาตอนเช้าทีนี้มันก็เลยติดติดมาทั้งวันโยมหันไปเห็นพระเราหมุนเอา้า ซึ่งซึมันเป็นธรรมดาครับะอาจารย์พระพรลมว่าแต่คราวนี้ห่นไปมันก็มีสติแนบมาอืมสติมันแนบมากับพระลมแล้วก็วันนั้นพอเจอมันก็ไปเจอแบบโยมก็บอกอ๋อเขาแนบกันมาอย่างนี้เหรอสติมันแนบมากับเสียงที่ได้ยินนี่เหรอบางเสียงที่มันดังโยมก็เลยถามพระอาจารย์คุณเล็กคุณเล็กยังได้ฝึกเรื่องเจิตวสติมันของเขาเทียนเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วไอ้เรื่องแค่นี้มันง่ายมาก พวกที่หลงทางก็ไปทางหาท่านปรโมโอตกวดีหาศรีสุริยกวดีเพราะได้สติหลวงพ่อเทียนไปแล้วมันเข้าใจง่ายก็ไปคิดว่าอันนั้นดีกว่านี้แต่หารู้ไม่ว่านั้นคือรากฐานไปจากลวพ่อเทียนแล้วเราก็<ช>ลืมหพ่อเทียนเลยลพย น, ลยนลืมหลวงพ่อเทียนไปเอาของใหม่ไปเลยพวกนี้ก็เลยเืยไปไม่ถึงไหนงไงพอไปไปแล้วมันไม่ใช่เพราะมันเป็นสติแบบสมถะไม่ใช่สติแบบวิปัสนาเพราะสติสมถนะเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยวัตถุอารมณ์ทั้งหมดแต่สติวิปัสนาเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยความรู้สึกตัวเท่านั้น เพะ น, นั้นพวกนี้จึงไปไม่ถึงไหนอพออีิ๊กหน่อยก็ไปไม่รอดพอเพราะมันเป็นสมร t า a หมอหมอกำพลโย<ว>งเขาไม่ได้กดแล้วนะคะใช่หมอกำพลพันชนะเห็นไหมตอนแรกเขาก็โปรลงพ่อเทียนมากพอได้หลักฐานโปรเทียนปั๊บไปเจอหลักของท่านโพธิสุริยเปลี่ยนไปเลยพาคนหลวงพ่อเทียนไปทั้งเยอะนั่นแหะเอ อ, อใช่วพวกนี้ก็เป็นสมถ t h ยวโ<ร>ยวงเขไม่เข้าใจไงคะว่าอ้อาวแล้วมันแล้วมันมายังไงอะ มันมันคืออะไรโยมโยมตอนที่มาได้ไม่มาได้ไงเราทําุทธเถียนมาตั้งนานมันมีสติตัวนี้อยู่แล้วอ่มันก็ง่ายมันเป็นสมถะระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าเราคิดว่าเราทําเรื่องนี้มากี่ปีแล้วตั้งแต่โยมพุนธอมาห้าหกปีแล้วใช่ไหมมันก็เรื่องง่ายที่จะรู้แต่ว่ามันเราก็ไปคิดว่าอันนั้นอ่ะมันเพราะอันนั้นไม่ใช่เราปลูกฝังมาตั้งนานแล้วเราเอาคนใหม่ๆไปฝึกใหม่ดูสิว่ามันจะเป็นอย่างโยมไหม ก็คุยกับคุณวินัยคุณแม่เขาบอกเพาเราเจริญสติมาตลอดพอมาได้ตรงนี้นิดนึงเราก็เข้าใจมันมาเห็นการเคลื่อนไหวเราก็เลยมีสติใช่เอามาเองเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าไม่เคยฝึกมาเลยคุณวินัยก็คุยกับคุณวินัยคุณวินัยบอกเพราะเราฝึกกันมานานใช่เอหรือมใช่แต่ก็ไม่มีอะไรอ่ะจารย์โยมก็แค่สงสัยเออทำไมวะทุ่มเตมันมากับบัดลมงงโยมก็เลยงงงแต่โยมก็เลยกลับมาอ่านหนังสือหลวงพ่อเทียนใหม่ใช่ ตแต่ม่กําลังอามากํากลังเจะคุยกับคุณวินัยเหมือนกันว่าให้คุณวินัยนทดลองเรื่องนี้ไปให้ถึงที่สุดแล้วก็หลวงพ่อจะปล่อยให้คุณวินให้พระทั้งสามรูปเนี่ยให้ทําเต็มที่เลยถ้าคิดว่าดีนะเอามาก็จะไม่เกี่ยวข้องทั่วเราจะปล่อยอิสระให้ท่านให้ท่านทำดูท<ะ>ี่สุดที่เสียดนี้ไปเลยแต่ท่านกิจจาม่ได้ทําำนะท่านกิจากาจามิทำนะไม่ทําอะไรอ่ะไม่กดธน ะ, ะ อ, อ๋เอเหอแล้ท่านกิจจาม่กร อีกขั้นหนึ่งก็ไม่กดค่ะอะแต่ท่านเอกวุธนิยงยงไม่ค่อยรู้จักเลยก็เหมือนเหมือนท่านเอกวุธก็พูดเหมือนร้อไม่ใช่ะคะ่ะที่ฉ ท, ที่ท่านพูดน ะ, ะ, ะท่านบอกว่าจะมากดกดอะไรกดแล้วมีรู้มีจิตรู้ที่ชันแล้วเหรออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ยมไม่เข้าใจอะไรทั้งหมดที่ที่ท่านพูดนะที่ท่านูเลยยมไม่รู้เรื่องอะค่ะแล้วท่านอ่านเป็นไงบ้างท่าน แต่แต่โยมไม่เห็นใครมีเอ่าทำตัวกฎเลยนะคะสามองค์เนี้ยท่านศรีจาไม่ทำเละค่ะแล้วทำไมท่านทําให้ท่านเกษินเอาจริงเอาจังเรื่องนี้มันก็เลยเออกมาไว้สามองค์นี้ก็เป็นท่านเป็นสาเหตุท่านเกษินต้องมาเอาจริงเอาจังเรื่องนี้ก็ทําให้เราเราต้องปิดเคียร์สามองค์นั้นไม่เห็ น, นะคะ่ะแม้แล้วเขาก็ไม่พูดด้วยนะคะที่ตอนที่เชิญไปโยมอ่ะนี่ท่าน มาเจอกันก่อนโยมขึ้นดอยสักสามวันเองออือโยมก็เลยถามแล้เอาไปเที่ยวไหมอนิมมอนนาสส้าคนเซัญาเขาบอกถ้ไปเดี๋ยวคนเซนยาเข า, า, เขาจัด ก, การเองออก็แทนก็เลยเออไปก็ไ ป, ไปก็แค่นั้นแหละท่านออือแต่ว่าโยมไม่เห็นสององไม่กดนะคะไม่เห็นไม่ไม่ไม่กดค่ะไม่ไมกดให้ศิษย า, า, า ก, ก็ไม่กดท่านอมอนก็ไม่กดค่ะเพอท่านอมอไปด้วยใช่ไหมไม่ไปค่ะคือโยมเดี๋ยวกั็โยมมาเจอท่านอมอด้วยแล้วก็ พระลมอนก็ไม่ได้เอากดนะคะพราะโ ย, <ม>ยมมองมองเอ๊ะพระองค์นี้เหมือนเคยเห็นนะ่ะโยมด้มจำโยมก็มาเรียกว่าเขาเคยไปที่ทตอนนั้นรีสอร์ทนะคะที่ปัจกิ่งนะคะเขาอาจารย์จได้มาสระมอนด้ว ย, ยแต่ที่โยมจำได้เพราะว่าท่านหลับเก่งเก่งโยมก็เลยจับได้เว่าท่านอะเที่ยงแค่ก็หลับแบบหลับหลั บ, ลบจริงจหลับจริงๆโยมก็เอ้วนขึ้นเยอะค่ะอืโยมก็ไม่แน่ใจนั้นโยมก็นั่งมองท่านสักแป๊บหนึง่ง โยมก็เลยถามว่าท่านใช่ท่านอมรไหมท่านก็บอกว่าใช่แล้วท่านก็เลยถามว่าธรรมยงรู้จักท่านโยมก็เรียกหัวเราะบอกถ้าเรียนท่านตรงๆท่านจะโกรธนําอกทาไมบอกก็ท่านหลับจังเลยโยมจําได้อ่เพราะมหาเดินผ่านท่านยังไม่ตื่นเลยุึกกันนะแล้วท่านก็เดินแล้วท่านก็ยิ้มไม่ว่าอะไรหลับเก่งหลับเจ๋งโยมยังกล่าวว่าท่านหาอย่างท่านไปเรียนอะไรอะไรด้วยไปเรียน คือคือพระเหล่านี้ไม่ไม่มั่นใจในหลักการโพเทียนแล้วไปเรียนสมถะเพิ่มเติม ท, ที่สมถะมันถูกทับมันเป็นวิบากกรรมอย่างหนึ่งนะมาถือว่าเป็นวิบากกรรมนะอย่าง อ, อาจารย์คงกฤิเนี่ยท่านมาศึกษาวิธีการโคเทียนได้เกือบสิบครู ป, ปีแล้วแต่ว่าเมื่อจริตหรือว่านิสัยที่อะไรอ่ะมันยังไม่หายสงสัยน ะ, ะ, ะท่านก็ไปศึกษาเพิ่มเติ ม, ตมวิธีการค่อชาทั้งวินยัยทั้ง วิธีการหลับตาบำเพ็ญศีลแล้วก็ไปอีกทางหนึ่งเลยทีนี้ก็เลยมันออามาอย่างที่บอกว่าถ้าวาสนามันไม่ตลอดเนี่ยถ้าไปเปลี่ยนทางเนี่ยมันก็จะไปอีกทางหนึ่งเลยถ้าสมมุติว่าวาสนาบารมีไปยังไม่เต็มที่เนี่ย mm. ก็สร้างไปเรื่อยๆก่อนคืออย่าออกจากทางแต่ถ้าออกจากทางไปวิธีการเพื่ออื่นมาแล้วมันไปเลยนะซึ่งมาดูมาหลายคนนะตั้งแต่อาจารย์ชั ย, ยาท่านสมบัติอาจารย์คมกิตท่านแ mm. ละคนที่ศึกษาไปเนี่ยพอพอตัวเอง ก็สมาบารมีอย่างมันยังไม่เข้มแข็งยังไม่เต็มที่เนี่ยก็สงสัยใช่ไหมสงสัยว่ามันจะไม่ใช่หรือใช่จะไม่เราจะไม่ถูกอะไรเนี่ยมันมันเป็นการมารมันเข้ามาทางนั้นน่ะนะพอมาทางปั๊บมันพอเปลี่ยนทิศปั๊บมันมาเพิ่ฉุดออกมาเลยพวกนี้ก็ไม่รอดแะปฏิบัติมานานก็ตามเพราะนั้นเราก็เชื่อว่าศาสนาบารมีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมามามันต้องถึงระดับหนึ่งที่มันจะต้องใช้เวลาชะลออยู่สักพักหนึ่งค่อยไปต่อ ช่วงที่มันชะลอตัวเนี่ยเราไม่รอมันนะน ะ, ะเราก็หันไปหาเรือเรือเรือลำใหม่มันก็ไปพาตลอดเฉลิบออกไปนอกทางก็ไปจมเพราะฉะนนเรื่องนี้เรื่องนี้สำคัญแต่บางทีบางทีงทเราก็พูดโดยตรงไม่ได้นะก็แค่ท่านบอกเอาเหมือนบอกโยมไม่ได้ก็ยากอยู่เพราะบางคนมันก็ไม่บางคนมันก็ไม่รับ มันมาคนก็บอกไม่รับเราก็ต้องแลกแต่โยโยไม่สงสัยนะคะในหลวงพ่อเทียนวันที่ไปไม้ไหวแล้วโยมโยมรีบกลับมาอ่านหนังส right. ือหลงพระเทียนในค้งเลยค่ะอาจารย์โยมกลับมาอ่านเลยค่ะอื๋อก็เจอเจอหน้าที่สําคัญไปที่ท่านพูดเรื่องเคลื่อนไหวค่ะโยมกลับมาอ่านเลยคือโยมไปสงสัยตอนเนี้ยตอนที่ทำไมเห็นใบไมาแล้วมีจระเขเนี่โยมสงสัยเพราะว่าโยมไม่เคยเจอโยมก็รีบกลับมาหนังสือหลวงพ่อเทียนก็เข้าใจแล้ว คนจริงควจริงการกระทบการกระทบทุกอญญานธรรมันมีแทบแตลอดเวลานะแต่เพาว่าในจุดนั้นท่านให้หลักว่าคาว่าเห็นสักตวว่าเห็นเนี่ยมันคํนาลวงพเทียนว่าเห็นก็เห็นซื่อฟังก็ฟังซื่อเมื่อเกิดเห็นตาของจุลกลิ่นกายใจกระทบรู้สึกเฉยเฉยเนี่ยมันเกิดการตื่นรู้โดยในตัวของมันแต่บางครั้งมันชัดมากบางครั้งมันไม่ชัดไงแต่บางมีบางช่วงที่สติเราพร้อมมันชัดมากเราก็จะตื่นตัวมาก แล้วก็แวบขึ้นมาเราก็ได้ได้สติมากมันก็เลยเออมันน่าจะใช่งวดนี้นะอซึ่งซึ่งเรื่องเหล่าเนี้ยมันมีปรากฏการ์ที่ไม่เหมือนกันบางครั้งสติมันพร้อมจริงมันก็แวบขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนหน่อยเหมือนฟ้าแลบอ่ะบางครั้งก็แวบๆไกลๆใช่ไหมแต่แต่มีบางครั้งอุบลว่าบใหญ่จนไปทั่วเห็นไปหมดเลยนะเนี่ยเมื่อเมื่อวานยอมเป็นว่า มันได้ทั่วหมดทำไมมันรู้สึกไปหมดทัด้งความหน้าหลัง<ช>ทำไมมันชัดมากอยู่คือควา ม, ว ค, วามความพร้อมของเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าจะเป็นตอนไหนเหมือนฟ้าแลบอย่างที่ว่าทั้งม่มันจะแลบมากแลบน้อยแลบเมื่อไหร่เราไม่สามารถจะรู้ได้เลยตรงนี้ก็แล้วเป็นกฎของธรรมชาติคือเราเราจะไปทึกทักว่าอันนี้ดีกว่านั้นนั้า น, า น, านมันมันไม่ได้เพราะว่ากฎของธรรมชาติมันเป็นไปตามกฎของมันแล้วก็เป็นกฎของอนัตตานะ ฉะนั้นเองเอามาก็ว่าถ้าเราเข้าใจหลักการนี้เราจะเราจะชัดเจนในหลวงพ่อเทียนมากขึ้นมากขึ้นมาทำวันนี้ตั้งแต่ปี20ถึงปีปัจจุบันเนี่ย 30-40 ปีเนี่ยมาไม่สงสัยไม่แต่น้อยเลยนะมันก็ทำให้เรามาม่สงสัยนะคะใช่ถ้าเราไม่กสลสับมาึทันทีเลยแหละพอพอเจอนั้นไม่ใด้อะไรหนาะ น, นี่นมันเป็นอะไรจะกัเทียนได้ผลไม่ไว้หรืออะไรไใหมก็มานะ มาเ<า>องก็<า>งอยากจะคุยกับคุณวินัยเหมือนกันคุณวินัยเริ่มลังเลเรื่องนี้ไหมถ้าลังเลต้องเปลี่ยนไปแบบเขาบ้างก็ได้นะว่ามันมั น, มนคุณวินัยท่านลังเลไหมเขาไม่ลังเลอะค่ะ <เล S 2> แต่คุณวินัยเขาก็แบบว่าเขาก็จะฟังคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเขาก็ฟังฟังฟังทุกคน<ช>เขาก็หาฟังเขาไปเรื่อยๆใช่แต่เขาเชื่อในเคลื่อนไหวของวัตถีเขาเขาตรงนี้เขาเขาไม่เปลี่ยนอะค่ะยมเชื่อว่าเขาไม่ไปทาง เขาเขานเนื่องเคลื่อนไหวอืมคือหมายความว่าในวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าการแสดงออกที่เอื้อเฟื้อต่อหลักการครูบอาจารย์เนี่ยเราต้องให้ชัดเจนด้วยไม่ใช่ว่า ม, มันคลับคลาคลั บ, บหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันช่องแสดงออกชัดเจนเรามาแสดงชัดเจนตลอดเรื่องเหล่าเนี้นะมาจะไม่ไม่หวั่นไหวในหลักการของใครเลยแต่ยิ่งเราชัดเจนมากก็ยิ่งเห็นละเอียดเห็นลึก แต่ถ้าเราฟังเที่ยวฟังคนนู้นบางคนนี้บางแสดงว่าไม่มั่นใจในหลักการตองข้อเทยนแล้วทําให้เราค่อยๆขวะลังเลได้เพราะคนปัจจุบันนี้การนําเสนอมันมันค่อนข้างแหลมคมนะเพราะเขาไม่เทคโนโลยีสูงดทุกดูทุกสำนักเลยครับใช่ที่ดังๆใช่ทุกสํานักถ้าเราถ้าเราไม่ได้หลักการของข้เทียนอย่างมันคมโอกาสมันค่อยๆแขวะมันสูงไงเพราะแต่ละคนการนําเสนอมันลึกซึ้งแหลมคมซึ่งซึ่งมันเสี่ยงที่เราจะค่อยๆขวถ้าเราไม่มั่นใจในหลักการ นนแต่โยมลองเปิดฟังของใครนะคะท่านประโมทฟังฟังฟังโยมก็ฟังไม่ได้นะพระอาจารย์ใช่เพราะพระอาจารย์พูดว่าถ้าเราชัดเจนในหลวงพ่อเทียนเนี่ยเขากำลังพูดอะไรอะ่ะใช่ซึ่งเราคิดว่ามันไม่น่าจะใช่นะแล้วโยมก็ลองฟังดูนะโ<ช>ยมก็มันก็ฟังไม่ค่อยได้อะไม่ใช่คือฟังแล้วมันไม่ไปด้วยกันนะ ใ, <ช>ในความรู้สึกโ<ช>ยมโยมโยมไม่สามารถจะมัน เขาพูดไม่เคยชัดเจนเลยอย่าอพูดอะไรก็ไม่ชัดเจนแล้วก็คุณไปพูดทำไมจิตมันเป็นตัวสุดท้ายอ่ะที่เกิดเรื่องอ่ะแล้วแล้วคุณก็ไม่ต้องทันกันนะเจมานั่งดูว่าเขาเป็นในุ้นในนี้ทําไมคุณไม่จัดการก่อนล่ะใช่ทางสายเราฝึกมาแบบนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์สอนมาแบบนี้พระอาจารย์สอนให้ข้าไหนูนไหนเข้าใจหลักการคนไหนเข้าใจหลักการพวอเทียนเนี่ยจะพูดด้วยใจไม่ใช่พูดด้วยภาษาแต่ฟังหลวงท่านปรมโอเนี่ยท่านพูดด้วยภาษาแต่ท่านไม่ได้พูดด้วยใจนะ ก็ฟังไม่ได้หรอกค่ะถ้าถ้าเหมือนเรารู้หลงทางของพ่อเทียนเราเขาพูดเหมือนเขาพูดไปพูดตอนสุดท้ายที่อย่างนั้นต้นทางเขาไม่รู้เรื่องเลยเหรอเขาถึงต่อยมันไปถึงตรงนู้แล้วว่ะแล้วก็ไปดูมันอะในแความรู้สึกโยมามันก็แบบว่าฉิตมันเป็นอย่างนี้ก็ดูวันเอ้าทำไมคุณไม่แก้ไขก่อนถ้าก็ตรงนู้นแหละเวลาโยฟังความรู้สึกโยเถึงเ้าโยชินกับพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์จะให้เหมือนกับว่านิวร์พระอาจารย์บอกเลยถ้ามันมาได้ตัวหนึ่งนะ ถาเราไม่ดูแลตัวที่สองสามสีห้ามาหมดเนี่ยอืมแต่แต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ดูอย่างเราแต่อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะถามยมเล็กก็คือวิธีการอของท่านโพธิ์ที่นั่นถ้าที่คุณวินัยชอบเนี่ยท่านท่านคุณวินัยเข้าใจไหมว่ามันคืออะไรคืออย่างนี้ใหม่ๆก็คือไม่รู้เรื่องท่านโพธิผููอะไรเนะี่ยเราไม่รู้เรื่องอยอมยอมรับคุณวินัยก็ไม่รู้เรื่องแต่ก็ว่า ท่านท่านพูดอะไรก็เหมือนเราอยากให้ท่านพูดอือซิเราอยากเราอยากเข้าใจที่ท่านพูดเพราะท่านพูดบอกว่าให้เอาสัจจะเนี่ยเป็นฐานเอาคำ ว, ว่างเป็นฐานอันเนี้ยโยมไม่เก็ตแต่คือฟังแล้วยอมก็ไม่รู้เรื่องโยมอาจจะไปยังไม่ถึงท่านแต่ครูนิ่นายพอมไม่รู้เรื่องเขาก็อยากฟังให้รู้เรื่องอะค่ะมันมันเป็นแค่นั้นละอันว่าว่าที่ท่านพูดอะมันคืออะไรอะ่ะ วินัยไม่เข้าใจเอาความว่างมาเป็นฐานออือแล้วว่างนั้นมันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้คุณวินัยเขาก็เลยสงสัยคําว่าเอาว่างเป็นฐานออือเอาว่างตัวเนี้มาเป็นฐานได้อย่างไรวินัยเขไม่เข้าใจเอาอสัจจะมาเป็นฐานแล้วมันคืออะไรคือพอเขาไม่เข้าใจเขาก็อยากจะถามให้ให้เร <c oughs> ื่องประมาณนั้นค่ะแล้วคุณเล็กมีโอกาสได้คุยกับคุณวินัยว่าจนถึงป่านนี้คุณวินัยรู้เรื่องหรือยังเขาก็บอกก็รู้ขึ้นบ้าง บ้างบ้างแต่เขาก็พูดว่าท่านโพธิพูดเหมือนตอนสุดท้ายแล้วแต่เขาอ่ะพวกเรากําลังตายกันขึ้นไปเรายังไม่ได้ไปถึงปลายยอดอะคะ่ะพระอาจารย<ม>์แต่ท่านโพธิเหมือนพูดปยยอดอยังไงก็ไม่รู้ยมเล็กเราเนี่ยยมเล็กครับมาจะถามคําหนึ่งว่าถ้าหากว่าท่านโพธินั่งอธิบายเรื่องเกลือเนี่ยว่ามันเค็มอย่างไรจนไป เป็นวันเนี่ยโยมจะเข้าใจลงนจะชมุมจะรู้สึกเค็มอย่างที่ท่านพูดไหมไม่ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าในโยมไม่ได้องคอเกลวะอ่านั่นคือความจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายซับซ้อนอะไรเลยที่จะยากที่จะเข้าใจคือท่านอธิบายเรื่องผลแต่ว่าเหตุมันเป็นอย่างไรท่านพูดที่โยม บ, บอกว่ามันไม่มีเฮลทัวร์ใช่ไหมค่ะมไม่มีฮลวร์ to, แต่ เราลืมไปว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุเราต้องปฏิบัติที่เหตุผลไม่ต้องไปพูดถึงมันเลยถ้าทำเหตุถูกแล้วแต่ผลไม่ต้องเป็นอย่างแน่นอนแต่ท่านอธิบายถึงผลแต่ว่าไม่เคยว่าเหตุมันมาอย่างไรเนี่ยความจริงสิ่งที่ท่านอธิบายมันน่าสงสัยมากกว่าท่านเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าว่าปรัตญที่ท่านพูดถึงท่านเปิดลหรือยังน่นะโยมก็ฟังแโยมก็ เจอท่านคนเดียวค่ะแล้วยมก็ไม่ไเรื่องไม่ใช่ว่าอมไม่ฟังท่านนะอมาก็ฟังท่านแต่อามาครูรู้ว่ท า, าท่านอธิบายถึงรดยาท่านบอกว่าพระมาหาอธิเล็กเป็นคนฉลาดอเหรอท่านพูดค่ะยมบอกว่าโยมมาเรียนกับพระมาหายมไม่ได้เรียนกับใครเลยเพราะว่าถ้าเรียนแล้วโยมไม่อยากถ้าโยมคิดว่าใช่แล้วโยมก็จะเรียนจนเหมือนกับว่าจนจบ ก, กรร <S <S ล็ล้กันยมก็บอกท่านนะคะ <S <S ว่าโยอมเรียนกับพระมาหายมไม่ได้เรียนกับคนอื่นเพราะว่า ถ้ามหาละเอียดอะโยมเห็นแล้วว่าคนอื่นเขาสอนละเอียดเนี่ยเขาเอาเดรูดเดรากแข่งท่านไม่ได้คนอื่นไม่ได้สอนแบบนี้ซึ่งโยมบอกว่าถ้าโยมวันหนึ่งถ้าโยมอยากมาทํางานตรงนี้โยมต้องได้เดรูดเดร่าโยมยอ ม, มก็ยอมเรีนกับพระมหาซึ่งใครๆก็ว่าเท่านั้นแหละพระอาจารย์เพราพระอาจารย์สอนลึกมากละเอียดมากนี่มันต้องลึกขนาด น, นีค้คุณเล็กต้องหาโอกาสไปคุยกับคุณวินัยถามคำหนึ่งว่าคุยวนัยเข้าใจาพระอาจารย์ กูที่เดานะชัดเจนได้อย่างถ้าไม่ชัดเจนไม่ค่ะไม่มันไม่มีทางที่จะชัดเจนเพราะอะไรเพราะเราจะได้ได้รสเค็มอย่างท่านอธิบายเป็นไปไม่ได้แต่ท่านต้องบอก how ทูกับเราว่าจะให้เค็มเหมือนที่ท่านได้ชิมเน่ะควรจะทําอย่างไรทางที่ถูกกันนะค่ะใช่ทางที่ถูกอย่างรูเบียก็ยอมก็มเลยถามท่านแล้วแหละก็เลยเออยอมถาม โยมเป็นคนตื่นเฮาถูนั่นเพื่อนก็ดีนะอะไรก็ดีหมดแล้วแล้วทํายังไงถึงจะได้ตรงนั้นน่ะโยมันจะต้องถามทุกครั้งเพราะว่าเอ้าถ้าตรงนั้นมีแล้วเราจะไปถึงตรงนั้นมันก็ต้องมีหนึ่งสองสามสี่จะเจอมันอออืืแต่ว่ามาเลยรออย่างเงี้ยโยมจำไม่ค่อยยุ่งเพราะว่าถ้าไม่มีเฮาถูนี่เอาอือฮะนั่นแหะมาก็ยุ่งโยมก็ตืพนผ้าจาร์แล้วแหละผ้าจาร์ละเอียดอะโยมก็ตามแม่เอามาก็งงว่าเอ๊ะคุณวินัยตามฟังตั้งนานแล้วยังไม่เก็ตหรือว่าท่านท่านพูดอะไรท่านเห็นอะไร เพราะพวกฟังแล้วไม่รู้เรื่องเ้ยบาอาจารย์ก็เลยจับับฟังให้รู้เรื่องใช่แค่ฟังไปไฟจงไฟจงตายก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันไม่จะเป็นผลนะนะมันไม่ใช่เหตุใเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋จะกช่คยแก้หน่อยนะว่าพระพุทธเจ้าท่านยืนยัดคำว่ารมเนี่ยมันแปลว่าเหตุนะค่ะรู้จักไหมว่าในสัพพิสธรรมเจ็ประการของสัุริสัตบุรุษเนี่ย เขาว่าตั้งแต่ธรรมยุตตาอัฏฐานยุตตาการันยุตาปริสันยุตาอัตฐานยุตตาประมาณยุตาเนี่ยทั้ง7ประการเนี่ยเขาว่าธรรมยุตตาเทว่ารู้จักเหตุเพราะนั้นทํานี่แปลว่าเหตุทําไม่ใช่อะได้แปลว่าผลนะแต่อัฏฐานยุตาต่างหากที่ว่าเป็นผลเพราะฉนั้นสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุทําทั้งหลายเนี่ยคือมันคือเหตุเรารู้จักทําคือรู้จักเหตุไม่ใช่รู้จักผล ผลเนี่ยรู้จักก็ได้ไม่รู้จักก็ได้แต่รู้จังเหตุว่าทําทั้งปวงมันเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ตรัสถึงเหตุกับสิ่งนั้นใช่ไหมในเรื่องของใครนะที่คาถาของพระอาชาชีใช่ไหมที่ที่กล่าวก็ภาษาริบุระว่าเยธรรมาเหตุว่เตสังเหตุดุงตะทาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทิมหาสมโนใช่ไหมคาถาเนี่ยลือลั่นมากเลยว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุ นะถ้าเราจะทำอะไรก็ไปทำด้ี่เหตุไม่ต้องไปหวังผลเมื่อทำด้ี่เหตุถูกต้องแล้วผลมันจะเป็นไปเองพระสมหาสมณะกล่าวอย่างนี้เสมอเนะี่ยที่พระอาชาชิสอนพระสารีบุตรใช่ไหมจำได้นะฮัลโหลค่ะยิงค่ะฮั <laughs> <laughs> ลโหไม่ได้ ห, หลับไปแล้วออไห่คะล้ฟังค่ะฟังอยู่เนะ่ <laughs> พรอาจารย์ดแป๊บมสิงหาวันที่เท่าไหร่เดินยมจะลายไป18 18 19 20สี่วันเหรอคะไม่18สาวันคือวันที่18นี่ไม่ใช่วันเริ่มนะ18มันเป็นเริ่มตอนเย็นเป็นเริ่มตอนเย็นเพราะฉะนั้นบ่ายสองบ่ายสองถึงบ่ายสาโมงเนี่ยเราต้องเข้าประชุมรวมประชุมประชุมร่วมมืนก่อนว่าเราจะการงานที่เราอบรมครั้งนี้แนวทางจะเป็นอย่างไรถด้ต้องเข้าประชุมร่วมมือก่อนนะนะ ในในช่วงบ่ายเรานักกันช่วงบ่ายไล่ไปบอกน้องให้ส่งคนมายุที่บอานเพราะฉะนั้นก็หาทางไปให้ได้เพื่อเพิ่ไปงานสําคัญนั่มาอยากจะให้พวกเราที่มีทักษะในการถ่ายทอดเนี่ยมันมันจะได้ชัดเจนขึ้นแต่ความจริงว่าไปการถ่ายทอดก็ดูจังหวะแต่ว่าที่สําคัญคือเราไปนั่งทําดูทําให้เข้าเป็นก่อนนะนะ ทำให้เขมือเป็นใช่มค้เขามือให้เป็นสร้งางเดิยกลมให้เป็นแล้วเป็นแล้วเนี่ยเขาก็จะถามว่ามันหมายความว่ายังไงจะเข้าใจอย่างไรมันถึงจะเป็นไปยังไงเนี่ยตรงนั้นเราจะอธิบายได้ถูกค่ะเรื่องอื่นมีอะไรบ้างไหมเพื่อจะได้นอนต่อก็ไม่มีพระอาจารย์ค้ก็มีเรื่องเดียวเรื่องคุณจีพระอาจารย์อย่าไปบอกเขานะคะเออแล้วว่ายัางไงเอามาจะแก้ไขเราจะเรีวบอกทางบอกวิธีมาคือคือคือจริงๆเนี่ยคุณจีเนี่ยเขา ไอ้เรื่องที่มันเกิดทั้งหมดเนี่ยพระจารย์ก็คือเขาอะอยากทําแต่ให้พระจารย์คือคือเขาเนี่ยโยมก็จะเล่าพระจารย์ต่างว่าผู้หญิงช่วงเนี้ยที่มีอีกสองสามคนที่อยากเข้ามาทําเนี่ยออืคือโยมเห็นแล้วแหละถ้าเมื่อไหร่ผู้หญิงเขารวมกันแล้วเขาคิดว่าเนี่ยเขาก็เป็นคนสําคัญของพระอาจารย์อจาริงจริงเขาเขาคิ้วเขาไปเลยขาคนสําคัญเดี๋ยวหน้าเนอะอีกคนได้จะมาเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยเก่งพระอาจารย์บอกว่าเขาเก่งแล้วออืก็เหมือนหลงตัวเอง ต่างคนต่างเก่งแล้วเขาก็ไปทํางานด้วยกันนะพระจรันทร์แล้วพนิสัยผู้หญิงอะพระจานทร์ถ้าเมื่อไหร่ว่าจันทร์มีลูกศิษย์เป็นผู้หญิงเป็นกลุ่มนี้นะวุ่นวายมากเลยพระอาจาร์ชแล้วเขาก็เหมือนจะแข่งกันอพอเขาจะแข่งกันก็มีบลาฟกันขึ้นมาอย่างนือมันมันน่ากลัวนะพระอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตอนเนี้ยคุณจิเนี่ยเขาก็กระหลงตัวแล้วก็หนองยมไม่รู้จักชื่อเขาที่คนขายเสือ้อคนหนึ่งอีก เขาเปิ้ลเเปิ้ลนะเขาก็ว่าเขาเก่งพระอาจารย์บอกแล้วว่าเขาเก่งแล้วก็มีคนอีคนโยมไม่รู้จักเหมอกันอะแล้วแล้ปัญหามันก็คือพระอาจารย์ตะกูจิมีมีข้อเด่นอยู่ข้อนึงนคนผู้ไม่รู้เรื่องนะคระอาจารย์เลยอันนี้น่ากลัวมากเลยใช่เลยเช่นสมมติอะโยมบอกว่าอ่าวูจิเดี๋ยว ที่บรนดอยที่โยมจะขึ้นไปสอนเด็กสามคนนะ่ะค uh ุณ huh. จีจรเราไปด้วยกันนะคุณสุภาพด้วยก็ชวนทุกคนเนให้เป็นทีมงานกันแล้วยมก็ถามว่าเออคุณจีคิดว่าคุณจีจะทําอะไรได้บ้างในทีมงานนี้แต่เราต้องมีหัวข้อนะว่าวันนี้เราจะทําเรื่องนี้นะเขาบอกถ้ามีหัวข้อเนี่ยก็ไม่ทํางานด้วยนะอพระอาจารย์ทํางานยังไม่ต้องมีหัวข้อบอกอนันต์นพระอาจารย์อนัต์พระอาจารย์พระอาจารย์หยิบเรื่องไหนได้หมดแต่เราไม่ใช่เราต้องเตรียมอย่างดีอื uh huh. คือ พอพูดอธิบายอะไรเก๊กุก็เป็นมาตลอดอะพระอาจารย์โยงก็เลยขี้เกียจคุยแล้วว่าตอนหลังพออพูดพูดเรื่องเรื่องบริจาคเงินอยู่อยบอกว่าทําต้องระวังนะอย่าให้เขาว่าพระอาจารย์ได้พระอาจารย์ไม่เคยเสียเรื่งเงินนะเรายืนยานเลยท่านก็อยู่มาพระอาจารย์แม้ปกติไม่รับเงินคนด้วยนะส่วนตัวโอเคทําดอดคื <c ười> อเขาก uh huh. ็ขอที่ยวไปขอขอคนอะพระอาจารย์เขาคนเขาก็นะออื uh huh. คือโยงก็เลยแบบว่ามันเป็นปีแล้วก็เตือนมาตลอด ย้ตือนจนไม่ไหวย้ำบอกนนทกรแล้วช่วยดีเหรอคือคือเขาเป็นคนที่เหมือนกับเข้าใจอะไรยากนะพระอาจารย์คุณจิตรเป็นคนเข้าใจอะไรยากค่ะอออืืไม่ง่ายเลยอย่างพระอาจารย์สอนเขาเรื่องเนี้ยพระอาจารย์คิดว่าเขารู้ว่าจริ ง, รงๆเขาไปตีความหมายหนึ่งนะคะพระอาจารย์อเขาชอบเป็นเขาจะเป็นอย่างนี้เยอะมากซึ่งโยมหนักใจอะเขาแต่ก็ถือว่าอเออไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ไปสอนด้วยกันย้อมชวนทำเป็นที่ คือเขาก็โหเขาเป็นของยากมากพูดไม่รู้เรื่องดีกว่าพระอาจารย์ไม่ใช่พูดยากเขาไม่เข้าใจอะ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นโยมเริ่มคิดแล้วว่าเขาอยู่กับพระอาจารย์มาสองปีแทบจะถูกคอสเลยอะ่ะอ mm ืท hmm. ำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้อะ่ะคงจะเป็ น, ว า, นวาสนาวาสนาบา ร, รมีแค่นี้หรือเปล่ามดูนะโยมก็ไม่รู้แล้วก็คือคนก็เลยค่อยๆหนีออกมาพระอาจารย์คนเชื่อกิจยุ่งออื เอาอย่างที่โยมถามพระอาจารย์พระอาจารย์เคยคิดไหมว่าคนที่คนร่วมงานกับพระอาจารย์ไปก็ไม่มาเลยคุณกรบนี่ก็เก่งนะนะเขาก็หลายๆคนเขาก็เดินออกไปเพราะเพราะว่าคุณจิติอารมณ์มากเขาก็คิดเยุ่งกับพระอาจารย์ออุยงก็ไม่แต่ว่าเขาทํางานให้พระอาจารย์ได้เนี่ยโยมถึงต้องถนอมเขาเอาไว้มากเลยว่าเอ้ยอ่าอะไรก็ได้ เพาะ่าเดี๋ยวไม่มีคนพิมพ์แห่จานเดี๋ยวไม่มีคนทําำช่วงที่หนักมากก็คือตอนสร้างดอยใช่ัหมคะซึ่งแต่ก็ช่วงที่เขาพูดมัรู้เรื่องมากเลยแต่ว่าตอารอบมาไว้แหละว่าถ้าไม่มีเขาอ่ะมันก็ไม่มีใครไปทํำตรงนั้นได้ก็ยอมรับนะออืทุกคนในกลุ่มมันรู้แล้วก็ตะลรอมช่วยกันนุชก็รู้นุชเลิลก็รู้ออืก็ช่วยกันดูแลเขาหให้เขาแหละแต่ทีนี้ ที่มันหนักนี่คือเขาพูดพูดใส่ความอ่ะพระอาจารย์มันไม่ไหวเนาะพระอาจารย์เอคือคนเขาไปได้ยินอ่ะออืาาเขาคนที่เขารู้จักโยเขาก็รู้แล้วว่าคนนี้พูกไม่จริงอืโยไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นออืาาแต่คุณจีก็สามารถใส่ไขได้เลยอ่ะอมันมันน่า ก, กลัวพระอาจารย์แล้ววิธีนนวิธีวิธีแก้ไขเราจะทํำไงโยมพระอาจารย์ก็พูดกับเขาแบบอือ ยมจีเนี่ยก็ต้องไม่พูดเรื่องคนอื่นเราต้องอยู่กับตัวเองสูงที่สุดคือพ่อคุณจิพูดร่วมคนอื่นเนี่ยพอใครชมใครนะคะปัญหาที่มาที่เขามาเล่ากันอย่างสมมติว่าชมว่าคุณเปิ้ลอีกคนอ่ะคุณเปิ้ลรู้สึกจะมีสองคนอ้าหรือคนที่บอกอีกหกเดือนจะไปอยู่ที่ดอยอะคะใครครับคนนั้นน่ะที่มีที่ว่าคนนั้นน่ะเป็นคนดีนะอนโยมจำไม่ได้ว่าเขาเป็นใครแต่คนเขาเล่าให้บอคนที่เขาบดชีหรือเปล่าคนที่บดชีไหม ไม่ไม่บวชค่ะไม่บวชที่เขาบอกว่าเดี๋ยวให้ลูกเขาเรียนจบเพื่อนที่มาจากมุจากยุวพุทธคุณมลคุณจี่มาคนเนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนดีนะคะในหมู่เขาชมว่าคนเนี้มีมีธรรมะดีแล้วเป็นคนดีแต่เมื่อคัดชมคนนี้คุณจิตก็เล่นงานทันทีเลยคือถ้าใครดีเนี้ยคุณจิตไปหมดเลย โยมเพิ่งไปเจอพิมและพัฒมาค่ะว่าอาจารย์อนพิมพ์เล่าเรื่องบุตดอยนะโยมขนาดนี้เลยเหรอพิมพ์ของเราเพิมยละพัฒน์นะคะพิมของเราเนาะที่ไปอยู่ย์เชียงใหม่อะค่ะเออโอเคเล่าว่าไงโอ้โหเขาเล่าเรื่องคุณจีแล้วเขาก็บอกพี่หนูจะไปเล่าเรื่องอักตริธรรมไรแต่คุณจีทําให้คนกระเจิงกระเจิงได้ดีมากเลยเลย นเนี่ยก็เลยเนี่ยโยมเพิ่งฟังพิมพ์แล้วมาเจอคุณกุ้งเล่าอีกคุณกุ้งเขาไม่ได้เข้ามาตรงนี้ตั้งสี่ห้าปีแล้วนะคะพระอาจารย์โยมไม่เจอรู้จักเขาใช่แต่เมื่อวานเนี้ยโยมไปรู้จักเขาที่โยกูดค่ะเขาไม่ได้สมัยโยมมาเร això, ียนกับพระอาจารย์เขาออกไปพอดีพขบอกเขาเขาไม่ได้ตามพระอาจารย์แล้วช่วงเนี้ยสี่ห้าปีเนี่ยเขาเพิ่งเข้ามาโยมก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาเขาพอจะรัอาจารย์พอดีก็ถามทางคุณตาเขาไปส่ง แ, แล้วคุณจีไปนั่งเล่าเรื่องทั้งหมดที่คุณกุ้งเล่าให้ประกันฟังค่ะหให้แนนยมคิดก่อนว่าคุณกุ้งพูดจริงหรือเปล่าเพราะโยมไม่คุ้นจักเขาออืแต่เรื่องที่ทั้งหมดคุณกุ้งไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์ใดๆทําไมมันมีตัวละครครบทุกอย่างได้ถูกหมดออืเขาบอกคุณจีเล่าหมดเลยออแต่เล่าเนี่ยมันเป็นลบเลยค่ะแล้วแบบนี้คูเล็กเนี่ยมาล่าคนในนี้ไปหมดแล้วเห็นไหมใครก็ไปกับคุณเล็กหมดแล้ว ไม่เอามันจะไม่เอาทางพระมาหาแล้วอโอ้โหใหญ่โตอะไรก็ไม่รู้เขคิดมากไปเองซซึ่งมันไม่ใช่แล้วทีนี้โยมก็เลยว่าต้องให้โยมก็ลองสงสัยว่าเขาได้รูปได้นามจริงหรือเปล่าเพราะว่าตรงนะอาจารย์ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าไม่ได้รูปนามเรื่องแก้ไขมันจะยากมากนะมาว่านนะก็ก็ใช่ค่ะแล้วทีนี้พระอาจารย์เราเขาไปเก็บอารมณ์ไงโยมจําได้พระอาจารย์เนี่ย โยมเรียนกับอาจารย์สองปีโยมยังไม่ได้เก็บอารมณ์ลเลยเพราะอาจารย์บอกว่าถ้าอะไรโยมไม่ได้อารมณ์รูปนามไม่รู้จักรูปนามจริงเนี่ย ใ, ให้เก็บอารมณ์ไม่ได้แล้วอันเนี้ยเขาเก็บบ่อยนะอาจารย์เขาหนุ่มเพียนะ้ยนนโยมว่าเด้อ ใ, ใ, ให้เขากลับบ้านดีกว่าอาจารย์ให้เขาพักเขาไม่สบายนะคะอาจารย์ใช่ลึกๆแล้วไม่สบายคงสบายมากเลยอะ่ะให้เขากลับไปพักดีกว่าเขาเหนื่อยอเขาไม่สบายโยมเนี่าแบบจี๋ตัวไม่กล้าลาพอาจารย์เขาเวลาให้ออกมายมเห็นเขาวันนั้นโยมก็ตกใจนะ เขไม่สบายกันขนาดนั้นน่ะเขาหันมือเล็กไปหรือคู่เลกเราไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวก็ไปนอนเถอะขอขรอาจารย์ลาเขบอกเขาไม่กล้าว่าเอางั้นโยมไปขอให้ออกไม้เขาก็บอกเขาไม่กล้าแล้วตอนนี้รู้ว่าเขาเก็บอารมณ์เลยบอกให้เขากลับบ้านดีกว่าพระอาจารย์้เขาไปนอนเถอะใช่เราเรากำลังหาวิธีหาวิธีแก้ไขทุกคนก็มีความปรารถนาดีเนาะแต่ที่จะหาวิธีแก้เขาดีมากเขาดีมากเลยพระอาจารย์แต่โยมก็เลยมองว่า คือวิเคราะห์จากเรื่องที่เขาพูดกับคุณกุ้งอะค่ะโยวิเคราะห์ในขนาดโยไม่เข้าไปทํางานน่ะออือคนที่เขาไม่ชอบทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปไปแบบใกล้ๆหลวงพ่อไปงานได้ท่านเนี่ยเขายังเป็นขนาดนี้เลยออือแล้วคนที่กําลังจะเข้าไปอีกเนี่ยก็ออือก็จะมีปัญหาใช่ก็คือออกไปหมดเลยอะมันออกไปทีละคนนะพะอาจาย์ใชไ่ไม่กล้ามาคือเรื่องอเรื่องเรื่องส่วนใหญ่ที่เราเห็นจากคูบาจารย์อื่นเนี่ย เราก็ได้บทเรียนกันเนาะบทเรียนกันว่าเมื่อครูอาจารย์องคใดองค์หนึ่งดังขึ้นมาลูกศิษย์ก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มสามกลุ่มแล้วก็ทะเลาะกันไปถ้าเรามาในที่สุดถล่มอาจารย์ด้วยเนซึ่งเรื่องนี้มันเรื่องนี้เราจะต้องหาวิธีก้ไขมันกาลังจะเกิดนะคะอาจารย์ใช่ที่นี้เราจะหาวิธีแก้ไขยังไงอย่างน้อยเนี่ยนะที่นโยมนั่งมองนะเวลาไปไหนพระอาจารย์ไม่ต้องพาเขามาทั้งที่ม่ะพระอาจารย์ขอายมันในเข้าไป <Okay. S 2> แต่ขนาดเนี้ยเขามาเป็นเขาจะเริ่มเป็นแก๊งเป็นกวนอีกแล้ว uh huh. ประเดี๋ยวก็ทะเลาะอัปเปิลออกไปแล้วคนหนึ่งอ่ะร uh huh. อกกันอืม uh huh. อันนั้นก็ปัจจานาดีก็จะหาเงินเพราะว่าคุณจะไม่โปร่งใสแล้วเรื่องเงิน uh huh. ทําไมไม่ชัดเจนเนี่ยงานเสร็จแล้วแทนที่จะให้คนไปนั่งดูการนับเงินทําไมคุณจิต้องเข้าไปนับในห้องคนเดียวนาน uh huh. นะผ่าตัดมัน oh. เป็นเรื่องแล้วแหละตอนเนี้ยอ oh. oh. เนื้อหายได้หมดทั้งหมดแล้วมาก็ได้รู้บ้างไม่รู้บ้างว่าเราก็ไม่ได้สนใจจุด น, น, นั้นเลยเนาะเพื่อทํางานใช่ใช่ตอนนี้ก็ต้องพยายามให้โอ่แต่คือพระอาจารย์ต้องไม่ไม่ไม่จะเปมุ่งนี่ไปไหนด้วยแล้ววะพระอาจารย์อือหือก็ต้องให้เขา พ, พักต้องให้ขอพักผ่อนเนาะต้องต้องแยกย้ายกันไปอะ<ช>่ะคือท่านมาท่านมาแต่พระอย่าเอาโยมเอใช่ถ้าเราไม่เกิดการสําคัญตัวผิดว่าเขาเป็นสิทธ์เอกของท่าน อ uh huh. คนอื่นนั้นยังมิเทียมเท่า น, นี่นี่ปัญหาเห็นแล้วค่ะโยเห็นแล้วใช่ก็ เ, <อ>เลยพยายามว่าไปไหนก็ไม่ต้องออกขอบไปตรงไหนเขา้าฝึกได้ท่านก็ให้เขาเปิดที่เรากําลังคิดว่าเราได้บทเรียนจากครูาอาจารย์อื่นมาที่เกี่ยวกับว่าเข้าไปไม่รอดกันนี่นะมันมันปัญหาคล้ายๆกันหมดแต่ที่นี้มันกําลังจะเกิดกับพวกเราเราก็ต้องมาช่วยกันคิดอนะว่าจะแก้ไขจริงๆคุณคุณปุ้งเนี่ยเป็นคนมองอะไรขาดนะคะพระอาจารย์อ uh ื huh. โยมฟังเขามามาเล่าเรื่องคุณจิทั้งหมดแล้วเขาก็สรุปเลยเขาบอกเนี่ยพรจรยจะเริ่มเสียแล้วแหละอถ้ายังยังมีกลุ่มพวกนี้ที่หลงตัวเองอยู่พระอาจารย์ก็ต้องไม่พูดให้ความสําคัญกับเขาด้วย uh huh. เพราะเขาเก่งเขาดีชมไม่ได้อ uh huh. ม่ได้พระอาจารย์ uh huh. ตอนเนี้สามสิบคนเป็นแล้วแล้วก็เริ่มไม่ถูกกันแล้วอ uh huh. แล้วไม่ถูกแล้วคุณจิตก็พยายามหาทีมใหม่ S <S ไอทีมเก่าก็ค่อยทิมกันอยู่เนี่ยมันก็เลยมันก็เลยคนคนอย่างพวกโยงก็ไม่กล้าเข้าไปในโยงโยงไม่เอาด้วยโยงกลัวแต่ามจริงคามจริงเราจะต้องมีคนกลางมาสื่อความหมายให้เข้าใจกันแล้วเราจะทํางานให้แต่ละคนปฏิบัติเองอยู่ได้แล้วก็เพื่อมาเองนเนี่ยถูกเตือนหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนเตือนมาตั้งแต่ต้นนะนะว่ า, าท่านมหาในอนาคตเี่ยทํางานไปเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาแน่นอน ที่ี่จะทําอะไรว่าสิ่งที่เขาว่าเรามาถ้ามันเป็นจริงเนี่ยเราจะต้องรีบแก้ไขตัวเองแต่ถ้ามันไม่จริงเนี่ยเราเฉยเสีย อ, อย่าไป อ, อ, อย่าไปแก้ไขอย่าไปแก้ตัวอย่าไปปล่อยเขาเป็นกรรมของเขาไปอะ่นะซึ่งตัวนี้ามาก็ถือปฏิบัติมาตลอดนะปฏิบัติตลอดก็ทําให้เราเรารอดร อ, อดมาได้เพราะงั้นเถอะในใ น, ในจุดทีนี้โยมโยมเข้าใจว่าเรื่องกลุมก้อนที่มันเกิดขึ้นมาช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ท่านสร้าง Uh huh. ดอยค่อยอาจารย์ใช่ใช่อาจารย์ต้องการคนหลายคนในการเพึ่งขาดีทํางานนี้เสร็จออ uh huh. าจารย์กงไม่ทันคิดว่าอการที่ต้องใช้หลายฝ่ายแล้วเขามารวมกันอย่างเงี้ย uh huh. แล้วเขาเลยครเขาคิดว่าเขาเป็นคนพิเศษเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอือแนเนี้ย uh huh. เขากระล้ากันตั้งหน้าตั้งตาแบบถอาจารย์ไปไหนพวกฉันไปด้วยแล้วเขาก็แย่งกันทำไมเธอไปเธอไม่บอกฉันทําไมเธอรู้ว่าเธอมีการไปอย่างนี้ฉันไม่ได้รู้นี uh ่คือพวกเขาเป็นกันใช่ <laughs> แต่ว่าแต่ว่าถ้าหา<อ>คนทํางานเขาแบบเขาได้ยากเหมือนกันนะเขาก็ให้เขาทําก็เหมือนเดิมอะอาจาย์เพียงแต่ว่าเออถ้าเป็นกรุงเทพก็คูต้าคุณเล็ช่วยมารับลงทะเบียนอืมจา้าโยมเสนอตัวทําแล้วเขาไม่ให้ออเขาบอกเลยว่าโยมยังบอกเนี้ยมันก็ไม่ดีคนกรุงเทพเหมือนกันนะคุณจิคุณอยู่พยาวคุณต้องลงมาแล้วเรากับตาไม่ทํานะถ้ามาหาก็ต้องมองเราว่าทําไมแค่นี้ไม่ช่วยงาน ทำไมต้องเป็นคนพยเอาลงมาทุกครั้งก็ถามเขานะคะโยงก็ถามว่าเธอไม่ต้องมาแค่จัดคนเข้าห้องแล้วดูแลเป็นธรรมบุ ร, รีคอนตรงเนี้ยนเะราตาทําได้เธอมไม่ต้องมาทุกครั้งยงบอกเขาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะออเขาบอกไม่ได้หรอกถ้ามาหาให้เขามาไม่มีใครอยจะดูแลได้เหมือนกับเขาหรอกอยงก็โอเคโอเคยงก็ไม่ว่าอะไรยมก็เลยไนมะ่ค่อยมายุ่งกับเขาหรอกเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่อยากยุ่งแล้วอ่ะมันก็แก้ไขา ย, ยากเหมือนกันนะ ก็ไ ง, งเขาก็ยังให้ยังทาอยู่เพียงแต่ว่าเวลาถ้าเหมือนท่านจะไปอบรมอะไรที่ไหนก็ก็หนูทุนจจอยี่จังหวัด น, นี้คนนี้อยู่ท่านไม่ต้องตามสามสี่คนเนี่ยแล้วให้นั่งรโต้กันมาเนี่ยออื uh huh. ตรงเนี้ยท่านทําให้น้อยลงดีกว่าออื uh huh. เขาจะได้ไม่คิดว่าเขา่เป็นคนพิเศษที่เห็นไหมเนี่ยถ้ามาหาต้องการแต่ผมชั้นเท่านั้นนะ uh huh. เนี่ยเขาเขาเป็นอย่างนี้กันนะคะทุกอย่าง uh huh. อย่างนั้นเราก็ต้องต้องเอากลุ่มภาพเป็นหลักไว้สําหรับญาติโยมก็แล้วแต่ว่าใครบริหารจัดการยังไงนะแต่เขาก็ดูแลงานเขาก็ดูแลงานหลายส่วนในช่วงนี้เราก็ถ้าขาดไปมันก็จะคิดว่าพวกเราไม่ได้เลยก็โยมถึงได้บอกว่าท่านอย่าไปตํำหนิสิเจียนอะไรเขาอแค่ท่านก็สอนเขาว่าเออเราเป็นอยู่กับตัวเรานะอยูเราอย่าพูดแต่ท่านอย่าเพิ่งพูดตอนนี้เพราะวันพรุ่งนี้ลอกะ แล้วเขาจะเสียใจไงท่านใช่เมื่เสียใจแล้วกังวลแล้วเขาไม่ทําก็ได้นะไม่มีใครทําใช่ทุกวันเนี้คือพวกโยมปอประโลมเขาอยู่ด้านนอกแลเนี่ยพยองผัวไม่มีคนทํางานใช่แต่ว่าเราอยากจะให้ทุกฝ่ายช่วยกันทํางานแต่ว่าจะทำไงให้มันมันเข้าใจที่เขาแล้วเขาสร้างปัญหาคนก็ไม่อยากเข้าไปทํำมันเป็นไปได้อย่างงานโหลดเราทําให้แกเบือหรือแกแกไม่สบายนี่มันอาจจะเป็นไปได้ปัญหาคือเขาไม่ปล่อยงานนะครับอานจันอ๋อ เขาหัวงานนะพระอาจารย์ออืเขาเขาแล้วเขาก็บโมโหว่างานอนะ่ะเราะนั้นนักกับมแม่ญญแล้วโยมก็ถามจิจิจนนก็พูดมาสิงานอะไรแม่จะให้เราทําอำอิจิก็พูดมาจะให้ตาทําะไรให้เราทำอะไรให้คนนี้คนนั้นทำอะไรจีแปงมาสร็จ <c oughs> เขาบอกก็ไม่ได้หรอกแล้วเขาก็อยู่สย่งเนี้ยพระอาจารย์เราก็เลยจะไปช่วยเขาล่ะอือ <c oughs> อะไรก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องเขาคนเดียวอ่ะ <c oughs> ออืก็โยมบอกให้แบ่งงานเขาไม่แบ่งเอง โยมเคยให้นนช่วยพูดเลยนนทเธอลงพูดดูบ้างดิพี่ไม่พูดแล้วก็อยากทํางานทั้งหมดให้พระอาจารย์นะจิตใจเขาก็ดีแบบอาจารย์มากค่ะออืแล้วเขาก็เป็นกาลังสำคัญของอาจารย์พวกเรานะเฮยปล่อยเขาทาไปดีกว่านะถ้าเขาไม่ไม่อยากแบ่งก็ปล่อยเขาไปเถอะทำบ่อยก็ให้เขาทําไปเขาไม่พอใจเราก็ต้องปล่อยเขาอเราไม่เข้ามาแย่งแบบเนี้ย เมืนงานเป็นรับที่ครูรู้ว่าโยงก็อยากไปทําให้แต่ผมไม่ปล่อยโยมก็โอเคได้ได้ถ้าเธอยากมาทํำก็มาเราก็ไม่มาทําเราก็ไม่มานั่งรับที่เธอมาจัดอะไร <c oughs> นั้นเนี่ยไปก็ไม่ได้จัดการอะไรเลยไปก็ทิ้งขว้างงา น, เ ห, นเห็นเห็นเขาก็ว่าอืมถ้าเป็นเป็นไปได้ไหมถ้าเราจัดการแบบนี้ว่าเราจัดจังหวัดไหนห แ, แล้วให้แต่ละจังหวัดนั้นนจัดการเป็นทําบริการจัดการเนาะอย่างนั้นดีที่สุดเลยพระอาจารย์แบบ้เราเอากันไหนต้องอากันไหนกันใหม่ใช่ ต้องต้องแบ่งกันแล้วกรุงเทพไทยรัฐนุชลีเอาคุณเล็กคุณต้าคุณธนาทีมกรุงเทพแล้วงานกรุงเทพอ่าคือเลือกเป็นภ<ต> า, าคดีถ้าจังหวัดเนี่ยมันจะแคบไปเราก็คงจะเป็นเป็นภาคดีกว่า น, น้นะภาคเหนือภาคกลางภาคกลาก็เอามาช่วยกันเป็นภั้ภาคอ่าท่านก็บอกเขาว่าอย่างนี้ว่าเราแบ่งมาอย่างนั้นเนี่ยคือจีจะหนักคนเดียวเขาก็จะได้มีกำลังใจใช่ใช่ใช่ ถูกนั่นบอกจีบเลยมามากแล้วให้ให้คนนี้ก็แบ่งงานไปนะอถนอมตัวเอาไว้ก่อนคนนี้เป็นจอเป็นข้อเสนอข้อเสนอที่ดีที่สุดก็ต้องคือต้องหาทางออกปัญหาทุกอย่างต้องหาทางออกนะว่ามันมันไม่ใช่แบบสายงานทั่วไปที่ก็เป็นกันจนจนร่มสลายกันไปเป็นแถวแถวเพราะอาจารย์ที่มีคุณค่ามีธรรมะสูงสูงก็ทำงานอะไรไม่ได้เลยนะที่เราเห็นกันมาใช่ไหม ใช่ค่ะอาจารย์ยงเมโยมเ<ด>ห็นภาพที่เขานั่งรถกันมาโยมข้ามขาโยมนึกได้ป้อาจารย์นานไหมเนี่ยใช่เห็นเข้ามาแล้วเขาทุก <c oughs> <c oughs> คนแบบว่าเป็นคนพิเศษของว่าอาจารย์ทางรถละทาง <c oughs> ทางตูง้แล้วน่ะโยมยนึก ย, ยังคุยกันแบบโอ้ยนี่แหละมาแล้ว <c oughs> ปีนี้มาแล้วแต่ก่อนไม่เคยมีโ <c oughs> <ใช S 2> ยมก็พูดอ้อมว่าเหมือนเขานะ อบอกไม่รู้เปล่าปกติพระมหาท่านมี ย, ามาย่าใบนึงนะแล้วท่านก็เดินทางไปสอนตรงนั้นตรงนี้ท่านไม่ต้องมีใครมาดูแลท่านถึงขนาดนี้นะท่านทําได้จริงๆยมยงพูดเลยออื huh. พูดให้เขาคิดนะว่าจริงๆพระมหาทําได้เขาคิดแต่ว่าท่านทำไม่ได้ต้องพึ่งพวกเขาอื huh. นีนสมัยสมัยนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าแม่ยกเหรอเนาะเบย์ยกแล้วก็ส่วนใหญ่ก็พระกรรมฐานก็มาตายพวกแม่ยกนี่แหละ อช่ใช่ใ่ว่าจะแต่ได้ที่พวกเราพวกเราใช่พวกเราจะต้องไม่ไม่ต้องปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต้องช่วยจัดการบริหารนะมันให้มันธรรมะที่ดีเนี่ยเราเห็นว่าครูอาจารย์บางท่านสอนดีมากแต่วันนี้ที่สุดก็ไปไม่รอดเพราะอรู้สีรู้หาบริหารจัดการไปไปคนละเรื่องกับที่ท่านต้องการนะนะก็อย่างคําพูดคุณจีเขาบอกว่าใครจะเข้าคอร์สไม่เข้าคอร์สเนี่ยมหาวิทยาลัยเขาหมดแล้ว เขาจะเลือกเองใครจะอยู่จะไปใครจะมาไม่มาเขาเป็นคนคัดเลือกเราก็ต้องเงียบให้เขาคัดเลือกไงพอาจัดการโยมก็ไม่ยุ่โอเคเนี่ยอย่างงานรับขึ้นสงโหรือขึ้นการปฏิบัติสงโนเนี่ยโยมจะไม่ยุ่งเลยโอเคนุชลีทำไปนะคนนี้ทำไปทำให้จตเห็นว่าพวกเราแบ่งงานกันไงมีการเราต้องแบ่งกันคนละคนไม่ใช่คนคนเดียวแล้วเพื่อนก็ไม่เก่งนะเออ อแ ล, แ, ล แ, แล้วนี่ก็แบ่งแล้วนุชเีตัดสินใจไปเลยไม่ต้องไม่ต้องกลับมาถามนอกจากเรื่องใหญ่จร yes. uh ิง huh. ๆนุชเรีรับไปเลยนะจัญญาคุณก็รับของคุณไปทุกคนก็ต้องรับไปนะก็ทําให้จิจิก็ลองลองลองลองค่อยๆแก้ไขเงินไปเนาะเรื่องนี้เราไม่ต้องคืออย่าให้มันกระจายไว้พวกกระจายไว้มันจะแก้ไขปัญหายากนะเราคงจะแก้คนคนกุ้งเนี่ยนะอืเธอก็เป็นคนที่ฉลาดในในความสเดยอดค่ะ คุณพุ่งเป็นคนฉลาดแต่คุณพุ่งก็ไวัยและร้อนใช่เขาเขาร้อนแต่ถามว่าเขาพูดเก่งคิดเก่งอ่มองประเด็นชัดขาดอันยมยอมรับเขานะใชแต่ว่าตอนเนี้ยโยมกําลังฟังดูว่าเขาจะเข้าทุกคอร์สโยมก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรกับคุณจิไหมห<ช>มายควาะว่าจะมีทะเลาะ ก, กันไม้มจะมีอะไรนีโยมก็วันๆอยู่แวเนี้ยโยมก็คิดว่าไม่เหรอกน ออมามอ ง, งมางนะมองเห็นมองเห็นปัญหาเหมือนกันแต่ว่าเราต้องให้แต่ละคนได้เห็นชัดเจนกันว่าปัญหามันเกิดจากอะไจะได้แก้ถ้าสมมติถ้าปัญหายังไม่ชัดเจนไปแก้มันอาจจะเป็นการเบียดหรือเป็นการอ่าใช่เพราะฉะนั้นเราก็เห็นปัญหาชัดเจนนี้แล้วก็เริ่มแก้แก้แกไขแต่ถ้าท า, ท า, ทาไปที่รเราเปราะเราเาะแบบบัวไม่ชําน้าให้ขุ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะใช่ใช่ค่ะโดยเฉพาะคุณจีเนี่ยยมถนอมมากคนณพี่ใช่แต่คุณไม่รู้เรื่องแต่คุณผู้หญิง คือพูดอะไรไม่ได้จะเลาะนะค่ะแบบว่าพอคุยเรื่องนี้จีบันเป็นอย่างนี้จีเข้าใจพี่เราพูดเรื่องนี้จิจิพูดไม่อะไรอย่างเงี้ยคุยคือก็ออทํางานกันหลายอย่างใช่ไหมพ<ช>่จิใช่สิปังนะมันก็เลยร <ๆ S 2> วนเนี่ยเจ๊อย่างนี้อย่างนี้นะเออก็ก็เที่ยวนี้เที่ยวนี้จะให้เก็บอารมณ์ดูสักสิบวันดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็คงแก้ไขเพราะเราก็สงสารเขานะที่เขาทํางานหนักแต่ที่นี้เราจะ ให้เขารู้ตัวว่ามันไม่ไหวแล้วนะต้องมันโหลดนะนะก็คงจะต้องได้พักปฏิบเป็กว่าปฏิบัติเดี๋ยวว่าเขากลับบ้านพักผ่อนช่วงนี้น่าจะดีกว่าจะก็เหนื่อยมากนะใช่กายเขาไม่ไหวใช่แต่ถ้ากลับกลับไปบ้านกลับบไป้านพักผ่อนมันก็ต้องเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเขาอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เขาได้ปฏิบัติได้ศึกษาตัวเองอย่างจริงจังมันจะเหมาะกว่านะแทนที่ให้เขากลับบ้านแล้วก็ต้ให เขาอยู่แบบสบายไม่ซีเรียกคนละกันอาจารย์บางทีอาจาาอาจะพาไปอีกที่หนึ่งดูก่อนนะบาย่งถ้าไปบ้าน<ร>เขาก็มีปัญหาทั้งลูกทั้งร้านอะไรก็ยังมีอยู่ทั้งไงก็ขอพิจารณาดูก่อนเนาะขอ<ร> บ, บใจมากนะที่ขอ บ, บใจมากที่เสนอเรื่องนี้เพราะเราจะช่วยแก้ปัญหาห<ร>ต่อไปนะโ<ร>บธนาศาสตร์ทุนะอ่าครับ